ส่วนนี้ไปจะได้จิตบายธรรมะเพื่อเป็นเื่องประดับสปิสัญญาเขาจบทันทั้งหลายพอไปธรรมะจี่พระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นได้นำมาจันแนดแจกสอนสัจธตร์ โด่ใหญ่พระองค์กวาได้มาจากของที่พวกเรารูสัวงเราเห็นกันอยู่แต่เทว่าว่าพระพุทเจ้าค่านค้น ค, นคิดมาเป็นธรรมะสอนสวกงเราเพราะความแก่ความเจ็บความตายความอุ่นวายขัดข้องต่างๆ <c oughs> พักเราท่าน มีด้วยกันไม่ใช่ว่าจะมีแต่สมัยปัจจุบันพุทธการไม่เคยมีความจริงสัตว์เคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายมาแต่ก่อนพุทธการคือพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกสัตว์ก็ยังเป็นอยู่แบบนั้นพระพุทธเจ้าก็นน้ผ่านไปสัตว์ที่มี เกิดก็ยังม wow. ีแฉะมีเจ็บม ah ีตายเหมือนกันความเกิดความแฉะความเจ็บคามตายเป็นสิ่งที่สัตว์ทั่วไปในต้องการเพราะความแก่คามเจ็บคามตายนี้เป็นภัยอันตรายที่มนุษย์และสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในช่อบ การเกิดนุษย์หว่ามนุษ์และสัตว์ชอบกันเมื่อเกินแล้วห้ามกัน้นไม่อยากให้แจไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้ตายเ็นเรื่องสั้นความจริงที่มีประจำสงสานจิตใจเมื่อสัน้นไม่ได้ตามความปรารถนาของตนก็เกิดคาม เดือดร้อนวู่นวาเพราะความไม่อยากแก่อยากตายเป็นต้นเหตุพระพุทธเจ้าที่นิสัยเจริญในวันจตักรู้ที่เจริญถึงเรื่ อ, องความตายแต่มาจากอะไรก็ได้คำทับถ่ายของพระ อ, องค์ว่ามาจากความแก่ความแก่มาจากความเกิดความเกิดมาจาก พบพบมาจากปัญหาเลื่อยลงไปถึงอวิยชาติภายในจิตที่เหนรู้ตามเป็นจริงเรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์พิจรารณาปัญญาการคืออาการของความเป็นอยู่ของสัตว์ทั่วไปคอยใจตามเป็นจริงของพระองค์ คับเจนมี่พวกเราท่านก็เคยเห็นเคยรู้เคยได้ดูได้ฟังกันในเรื่องความเกิดความแก่ความเจยบความตายต่างๆแต่คันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายทําหนักจากการเกิดการแก่การเจยบการตายในมีมีแต่ความยินดีดีเด่นอย่ากจะมีอายุยืนยงคงอยู่ อยากจะมีความสุขแต่ในนึกคิดที่นี้พีเ่เจนนาตามเป็นจริงว่าสังขารเหล่านี้นั้นจะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันไม่มีอะไรที่จะไปห้ามกัน้นเรื่องให้แจ่ให้เจ็บให้ตายได้เราจะกล่าวถึความสุขสนุกสนานตามความต้องการของเราไม่ได้เพราะความเกิด ต้นเหตุที่จะนำความแฉะความเจ็บความตายนะห้เราจะแต่งกามอยากจะอยู่ยืนนอนหรือไม่มีเก็บมีตายนันจริงขัดข้องแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลผู้ใดได้รู้ตามเนจริงภายในใจของตนเพิ่มปั้ น, นไมอยากให้ตนท้องตนและบุคคลที่รักที่ชอบใจเจ็บเจ็บตาว ผู้นั้นจะเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นจากตายคือเป็นทุกข์ทางใจอีกเพราะธรรมชาติของอัตภาพร่างกายก็มีเรคไข้ไข้เจ็บมีทุกข์ประจันอยู่แล้วแต่ใจคือไปข้องไปติดในชิดในเนืน้อใ่ที่เจริญาตามธรรมะของจริงพระพุทธเจ้าในจขัดข้องในใจในชอบพอในเรยยื่องความเป็นของมัน เมื่อไม่ชอบพออย่างนั้นความน้อยใจคว า, ามาต่ำใจความเศร้าใจความเหนียวแนงใจก็เกิดขึ้น้ทมให้เป็นทุกข์ทางใจอีกแล้วก็นิดหนึ่งซึ่งบัญครยึดของตนอีกเกิดนั้นเราทนเมื่อรู้เมื่อเห็นตามเป็นจริงอย่างไรที่พระพุทธเจ้าเนี้ยสอนเอาไว้ก็ให้ที่จะในนา ให้จับในใจว่าความแก่กความเจ็บความตายเป็นครูเป็นอาจารย์สําคัญแต่พวกเราท่านไม่เห็นความแก่กความเจ็บความตายที่จับอยู่ในโลกแล้วพวกเราจะมัวเมาเฝ้าฝันถเถิดเชินกันอย่างไม่มีวันมีเวลาไม่อยากจะไปสู่ความบริสุทธิ์สุดมุทิตาเราเลยเพราะเห็นว่าโลกนี้ มีความสุขความสบายความเพียงแค่แน่นอนไม่อยากจะไปเกิดพบใดชาใดอีกไม่อยากจะบัำเพ็ญคุณงามความดีไม่อยากจะหนีจากโลกเพระาะจิตจติดข้องในพบนยน่าติตื่นยากเพราะว่าปัญหาเกิดมีแล้วเนี่นในจิตในใจอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์แท่นเป็นอัริยมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สาคพัน ซึ่งมีอะไรวะเป็นมนุษย์อย่างพวกเราแต่เท่าว่าจิตใจของพระ อ, องค์ท่านเป็นของสำคัญไม่ลหลงไหลในนลืมไม่ประมาในการเกิดเป็นชาติของมนุษย์ถึงจะสมบูรณ์พ้นสุขไปด้วยศรัพสมบัติเนื้อท่าบรรดาสัตว์เป็นสัตว์และมี บริษัทบริวานขนาด่ปรกับปัจจุบันไม่เหมือนขั้นก่อตา้ถ้าองค์ต่อม่หลงหลา่าโดยที่นุติเจรณาในใจว่าเราเวดมามีอะไรผิดตัวเรามาข้าวของเงินทองสมบัติพัดแตฐานเป็นของเกิดขึ้นใหม่เป็นของหาไ ด, ด, ด้โดยอำนาจบาตรนะโดยบุญญาที่ต้องผ่าน เราใช้ตัวเนื่อติดตัวมาตั้งแต่เบื้องต้นเพราะคนรุกคนเกิดมา ใ, ใครๆก็จะมองเห็นกันว่าไม่มีอะไรติดมาแม้แบบห้าชิ้นเดียวนิดหน่อยว่าไม่มีปกอวัยวะเงินทองของชายต่างๆต้องสแสวงหาใหม่ในเมื่อใหญ่โตรู้จัดเยียงษาขึ้นมา และบุคคลเหล่านั้นม า, าแสวงหาถึงจะได้มากมาไายกองยังใดสติดตามสมบัติพัสถานทายนอกจนจนว่าเงินทองของชายตลอดเล็ดเรือนเรือนเลงตา่างๆของเหล่านี้ถ้าองค์ท่านก็ได้ที่นิเจานาผูลมหายตายไปว่ามีบุคคลผู้ใดนำสมบัติที่หาได้ในโลกมนุษย์ จุดตัวไปไหมก็ไม่เห็นบุคคลผู้ใดตายผู้หนึ่งซึ่งนมสมบัตรของแผ่นดินไปได้และแป่ทั้งขาห่างตายของผู้ตายก็จะซึ่งเอาไว้ในเงื่อนแผนดินไม่มีอะไรติดตัวของเขาใปเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะมาโมเมาเผล่ฝันติดเพลินอะไรกันในโลกเหล่านี้ ยังแต่เกิขึ้นมาอาศัยโลกเป็นอยู่เท่านั้นคุณงามความดีอะไรที่เราควรทำควรบำเพ็ญในเมื่อยังมีชีวิตเป็นอยู่เพราะองค์ท่านอุตส่าหพยายามคิดหาทางแก้ไขการแก่การเจ็บาการตายภายในใจเห็นว่าอยู่ในภาวาดิสัยไม่สะดวกสบายเพราะการงาน รีมาไม่สามารถที่จะระพติปฏิบัติหรือที่นิธิเจนาจิตใจติดขัดช่องให้ละเอียดโท่า ไ, ไดจึงสละเพื่อกราวาสออกขนวดออ ก, นนออกบาารรเทาพอออกไปก็ชิดที่นิธิเจราหาช่องทางที่จะตัดกิเลสปัญหาและความชั่วภายในใจให้หายความสงสัย ภายในพระไทยของพระ อ, องค์อยู่เป็นเวลาตัาง 5, ้งห้าหกปีจึงรู้เห็นความเป็นจริงขึ้นในวันวิสาขคุณน่ามีวิถีเตนเปันหกพระองค์รู้เห็นตามเป็นจริงว่าสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตใจของพระ อ, องค์ท่านไปเกี่ยวข้อง เขาไม่มีความหมายอะไรเป็นจากภายในในความเกี่ยวข้องความปวดพันความเฝ้าฝันของจิตเท่านั้นส่วนเพียงอื่นใช่อยมาใหญ่ใหญดีหรือจิตผ่องกับพระไทยของพระองค์ที่เจรณาลงไปจนรู้จนเข้าใจชัดเจนจนจิตของพระองค์เป็นดนนนนมีมดบริสุทธิ์ขุดทอเป็นพุทโธโข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 ในมนุษย์ทั่วไปถ้าหากบำเพ็ญใจของตนให้ถึงที่สุดก็จะเหมือนพระพุทธเจ้าเพื่อเกิดสองหลเกิดเป็นรูปบุคคลและสัตว์ไม่เป็นของสำคัญเพราะเคยเกิดเคยเป็นเหมือนกันอยู่ทั่วไปทุกปานทุกสมัยส่วนเกิดทำภายในใจคื่อเกิดตัดสรู้เป็นมีมุต หลุดลอยออกไปจากโลคจากสงสารเป็นของสำคัญพระพุทธองค์ท่านได้ทิศยุิจเจริญนาธรรมซึ่งเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทในวันนั้นเข้าใจชัดเจนเห็นไปจับจนทำลายอริชาปัญหาอุปาทานภายในใจหาดกระเด็นออกไปจิตใจ บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีี่เลสตัณหาหรือสอมมติบัรญัติอันใดจะเข้าไปเกี่ยวแฝงจิตใจของพระองค์ไม่เหมือนกับจิตที่ลงรวมหรือจิตที่สงบสงัดธรรมด า, ามการปฏิบัติมาในระยะเวลา6กพนรษาไม่เคยไปสบพเพลินจิตใจที่เป็นอย่างนั้น พอพระ อ, องค์รูเห็นเป็นจริงขึ้นจริงเท่าพาไทยทักเจนว่าอันนี้เป็นบีมุตเป็นที่สุดของโลกไม่เหมือนจิตที่เข้าสารสมาบัติจิตลงรวมธรรมดาพระ อ, องค์จึงท่าในทระองค์ว่าหมดพ้อหมดช้าประสาจศาจสนา แต่เนื่องด้วยธรรมะที่พระพุทธอ ง, องค์ค้นพบพิจนารณาเห็นเข้าใจชัดเจนว่าไม่ผิดข้องกับอะไรหมดพบหมดชาติหมดการบำเท็ญหมดการละเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดมากบุคคลที่ยินดีดเคารนในการอารมณ์ต่างๆ ไม่สามารถอาจคิดค้นหรือไปศพบเห็นได้เป็นธรรมะที่เหลือวิสัยของคนที่หนาเน่นไปด้วยกิเลสหากไม่คิดให้ไฟฝันแต่ทำการจริงจังธรรมะส่วนนี้ก็จะไม่เกิดไม่มีขึ้นจากจิตจากใจของเราหรือของบุคคลทั่วไป พระพุทธเจ้าที่นี้่ิจาราแล้วพ่อพระไทยไม่อยากประกาศศาสนาเพราะว่าธรรมะเป็นของละเอียดอ่อนสุขุมไปลึเหลือจิตเหลือใจของผู้ดูชนคนหนาทั่วไปจะพิจารณาถี่ธรรมเป็นของละเอียดยากชายอย่างนั้นแต่พระองค์ท่านก็ได้ที่นี้พิจารณากว่าเราแต่เราอน จึงไม่ได้ดำเพนภาวานาอะไรยังไม่รู้ไม่เห็นธรรมะส่วนนี้เกิดขึ้นแต่เมื่อเราพยายามบำเพนแต่ทำอย่างจริงจังธรรมะส่วนนี้ก็ไม่หลีกเลี่ยยังเกิดขึ้นกับใจของเราได้สัตว์ทั่วไปเมื่อมีผู้แนะนําคำสอนก็จะรู้ใจเห็นเมื่อเขา มีสัทธาเชื่อเลื่อมใสมีความเพียรมากภายในใจจะกระทำบำทัมเพลนได้เหมือนกันจึงประกาศศาสนาแนะนำธรรมสอนปัญจวัคคีสอนยิุอื่นปอนคนอื่นในโลกปัญจวัคคี ท, ทั้งแห่งนิจณาธรรมะในระยะสี่พระองค์สแสดงกนัญญาหัวหน้าปัญจวัคคีก็รู้ก็เห็น เป็นจริงขึ้นในจิตของคนทันยัรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็จะมีการแตกสลายไปเป็นธรรมดาเข้าใจประจักษ์ชัดเจนอย่างนั้นในยึดมั่นติดท่องในสิ่งทั่วไปที่มีความเกิดขึ้นเห็นประจักษ์ชัดเจนว่าสิ่งนั้นจะต้องแตกสลายไป จิตใจไม่ยึดไม่ถือเข้าใจเห็นจริงแต่จากอย่างนั้นพวกเราท่านคคยเห็นกันและเคยได้ยินกันแต่จิตใจจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้จึงมีการลุ่มหลงหรือสงสัยในจิตในใจนนของตนเกิโศกเศร้าเสียใจที่ไรลำพันเมือ่อสิอ่งที่รัก ที่ชอบใจข้องตนจากไปเกิดมีความรักให้ชอบใจกำหนดยินดีในเมื่อมีสิ่งที่ตนรักตนชอบใจเกิดขึ้นเป็นใจแบบนั้นไม่เห็นไปจากชัดใจอย่างพันนทัญญาเกิดนั้นพวกเราจึงลุ่มหลงอยู่ในวัฏจรสงสารเลื่อยมาจนกทั่งปัจจุบันทันตาก็ยังเ้นอยู่อย่างนั้น ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นหากบุคคลผู้ใดเข้าใจชัดเจนแล้วจนของไม่มีการไม่มีเวลาพระพุทธเจ้าจะห่วงรับปริเนธทานไปเป็นเวลาสองพันหาระกว่าปีธรรมะนั้นผู้ประพฏิบัติปัจจุบันเมือเม่อรู้เมื่อเห็นก็ยังเป็นอย่างเดิมอยู่ไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างไป เป็นอากาศดีโก้คงที่ดีงามเหมือนพระพุทธเจ้ายังทรงพระสมัยอยู่เกิดนั้นพวกเราท่านควรกําหนดควรชินิดควรพิจารณาควรตั้งแน้ตั้งตาต่อเพื่อปฏิบัติตัวของตัวให้รู้ให้เห็นให้เป็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าจึงจะเชื่อมั่นว่าธรรมคำต่งสอนของท่านเป็นของสืบเสดีิเศษสามารถกาจัด เรื่องกิเลสคามไข้ปัญหาความอยากภายในใจออกไปได้อย่างไม่มีปัญหาหากพวกเราท่านพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านถือเชิชูบูชาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ้วยความเื่อมั่นจรงิงจังธรรมะนั้นก็จะยังคงเส้นคงวายัง จะนำพาตัวของเราจะได้รับความสุขความสบายอย่างยวดยิ่งเกิดนนั้นพวกเราท่านที่มีชีวิตเป็นอยู่และมีหูมีตามีจิตมีใจซึ่งควรจะได้ดูได้ยินได้ที่นิทีิจารณาควรนำธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาสอนใจของตนสม่ำเสมอ เมื่อนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนใจทำสอนตัวของตั ว, ต ว, ตวอยู่สม่ำเสมอแล้วความเห็นความเป็นความสุขความสบายซึ่งเป็นนิลานิสุขาศาสจากอาณิจารย์ภายนอกจะปรากฏเห็นเด่ น, ด, นดวงขึ้นจากจากใจของตนเพื่อมัน่นไนธทรมอย่างหนักแน่น ไม่งอนเงี้ยเป็นคนที่พระพุทธเจ้าไหวเนื้อเชื่อใจเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าด่าพวกเราท่านมีกายมีราจามีใจพระพุทธปฏิบัตไิไปตามคําสอนจริงจังพระพุท ธ, ธองค์ข้าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็จะยินดี แต่พะาไทยแต่พวกเราท่านตามีหูมีใจมีภาวัดภาวาจำศีลภาวนามาบวชเป็นพระเป็นมีม า, ว, มาวัดจำศีลภาวนากันไม่คิดไม่อ่านแต่ที่นี้ทุกเจ้าจมาทำมะข่วนนั้นหรือต่เกี่วท้องศาสนายากได้อยาจะได้บุญได้กุศลแถวนั้นมาันเพีงยงแค่นี้ ก็ไม่มีวันมีเวลาที่จิตใจของพวกเราจะเจ้าหน้าไปสู่ความอลดพนจากที่เหนือปัญหาอย่างพระพุทธเจ้าสอนตัวสำคัญธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่อื่นอยู่ที่ตายที่บาจาที่ใจของพวกเราซึ่งเรียกว่าถ้าจที่ดกใจที่ดกใหญ่ส่วนในสำหรับปัลญาคือว่า ถ้าสู่เข้าด้านในเ้าปรมัิออกไปจากตายจากรายจาจากผิดของบุคคลเท่านั้น เข้าใจทาดเดือนเห็นต่ากแล้วเรื่องศาสตรเสนถึงเจเสืมเพิ่มลงไปลึกไยทั่วโลกจะไม่นับหรือต่อต่างผู้นั้นจะยึดมนเ่มั่นพราะเข้าใจเห็นจริงในเรื่องคุณค่าของสายเสนความสุขของจิตของใจความละความคล้ความปล่อยความหมายของจิตของใจตนเอง แม้จะมีผู้มาข้าฟันทำลายชีวิตตอบตา่างท่านก็ไม่มีความกินเนืออแฝงใจเพราะเสือป่าท่านรู้ท่านเข้าใจรชท่านเชื่อมากในการปฏิบัติแบบนั้นจะบังคับบัญชาให้ท่านไปชี้วับที่อื่นแบบอืนบบ่นพยายามทีชีวิตบุชิตต่อความเป็นจริง การตดเลปฏิบัติทั้งคันที่พวกเราเป็นอย่างนั้นจิตใจยังไม่นั่นความเชื่อคือบัตรายังไม่เพียงพอรีระความเพียรสันติความอดทนยังอ่อนยังมันพยยามฝึสฝนจิตใจทั้งตนให้เป็นคนทีว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้า พยายามทำตามโอวาทของพระพุทธองค์อดทนใจตามและขัวบัญญมดีให้พ like ้าดีคุณขึ้นคุณทำูีพระพุทธเจ้าหรือว่ารีวิวเจ้าขึ้นจะเป็นสมบัติของพวกเราอย่างในมีขอบตงใสถ้าเราจะปฏิบัติไปตามแนวแขวของพระพุทธเจ้า แม่สอนจะให้จิตใจไร้เหน่อล้าไม่เป็นอิ่มไปไหนบ้างพระพุทเจ้าได้เรียกเจ้าเห็นอย่างไรเราก็จะไปจากใจของเราอย่างนั้นขอให้ทุกท่านพยายามไปทำบำเพ็ญตามโอราทของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้บังคับตายบังคับใจของตนใเข้าสู่ครับอย่าให้ชีเลศนําพา เดินลจิตใจไปทางอื่นแตพวกเราพยาย า, ามจะทำบำเทมอย่างนั้นสมบัติที่พระพุทธเจ้ทาท่านเก็บเอาไว้แบบตับากีดคาชานทาทาล้นถจาเป็นของพวกเราไม่ใช่จะมีะอยู่ในตำลักตำลาและตัวประจักษ์อยู่ใ น, ในใจิตในใจในการละการบำเพ็ของตน อย่างนดิงครับเกิดนั้นขอพวกเราท่านวงพรายามแต่ทำบัญชียาลดละว่าศาสนาเสื่อมหรือเสียไปบางส่วนบางเสียไปก็คือใจรายใาใจของเราได้ทาจริงถ้าทาจริงแล้วศาสนาดูกับเราหรือรัตนาเขาจะพอสูงจะไม่มี อยู่ในสถานที่ใดกวตามจิตใจของเราดูเห็นตามเป็นจริงก็คือเราปฏิบัติศาสนาเห็นศาสนาไม่มีการเอื่การเสียไปตามวัดตามมาตามผ้าตามเนนตามวันตามคืนตามปีตามเดือนเลยจะไปจับแคปเกณฑ์เห็แฉงอยู่ในตัวเมื่อผู้ใดเห็นผู้ใดเข้าใจทำ ความสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติเห็นเป็นขึ้นายใจแล้วถึงพระพุทธเจ้าจะบริเวณทานใสในวัตถุล่ลางตายของพระองค์ขัตจะธรรมะที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านละท่านวา ง, าวางได้อย่างไรจิตใจของเราได้เป็นได้เห็นอย่างนั้นก็ไม่มีการต้องใส่ว่าไเห็นพระพุทธเจ้า พุทธที่เกิดปุด่นภายในใจคือหูู้ผู้ตื่นจากที่เหลืหอปัญหามีความเมบิการอยู่ทุกการทุกเวลานี้เป็นพุทโธที่น่ า, ากาพุทโธที่น่ารักมีอยู่แบบผู้หญิงแบบผู้ชายผัวใส่ส่วนพุทธข้าพุทธข อ, ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเขาทันต่าง่ะการเห็นหรือไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เป็ น, น, นปัญหาแบบ คห็นพุทโธภายในใจคือบางตื่บางรู้ภายในใจทุกส่วนจะจากแับเปลียนแหววบุคคลผู้นั้นจะไม่มีการบันไดบุคคลผู้นั้นจะไม่มีใครอันตรายอยู่ได้เลื่อยอย่างสบายสบายใจตายไปอย่าง